ชีวิตดูมั่วๆอะไรก่อนอะไรหลังเรียงลำดับไม่ถูกไม่รู้ว่าเหลืออะไรต้องทำไม่อยากทำอะไรเลยให้ตั้งเป้าหมายทางใจจิตใจฟุ้งซ่านมั่วซั่ววิธีคิดขาดระเบียบไม่เป็นลำดับเพราะขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในใจหากคลิกเป็นตรงข้ามได้ก็กระตือรือร้อนได้ ขยันลุกขึ้นมาทำอะไรให้เสร็จเป็นอย่างอย่างได้ทุกอย่างเริ่มต้นที่สภาพจิตใจถ้าสภาพจิตใจดีมีความปลอดโปรง่งก็พร้อมจะคิดตามลำดับเป็นเหตุเป็นผลปัญหาคือคุณมักเจอเครื่องรบกวนจิตใจเจ้านายแย่ลูกน้องแย่เพื่อนร่วมงานแย่ทำงานขาดระบบใช้อารมณ์ไม่สมเหตุสมผลตั้งเป้าหมายแบบมองไม่เห็นอนาคตชัดเจน เหมือนพากันไปไม่ถึงไหนสักทีคุณเลยพลอยร่างพลอยแห่ไปไม่ถึงไหนกับเขาด้วยรู้วิธีทําสภาพจิตให้ดีทํากลางสภาพแวดล้อมแย่ๆถ้าทําไม่ได้ต่อให้ถอยเท้าออกมาแนวโน้มคือคุณจะถูกดึงดูดไปสู่บรรยากาศเดิมอีกเนื่องจากจิตมัวมัวเป็นของติดตัวมันจะไหลไปสู่ความเข้ากันได้กับจิตมัวมวด้วยกัน หรือต่อให้ได้ไปเจอจิตที่เป็นระเบียบกว่าก็อาจจูนกันไม่ติดอยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุกข์หรือไม่ก็พาเขามัวตามได้ง่ายวิธีคือให้ตั้งเป้าหมายทางใจมุ่งมั่นเอาใจที่มีสมาธิแทนที่จิตมัวมวถ้าตั้งเป้าหมายที่ภายนอกไม่ได้ให้ตั้งเป้าหมายเอากับภายในมุ่งมั่นเอาอนาคตทางใจที่สดใสเป็นระบบระเบียบ เมืออม่อใดท้อเมื่อใดรู้สึกมัวโซวยุ่งเหยิงให้ตั้งโจทย์ง่ายๆว่าจะนึกถึงอะไรดีอะไรที่ทำให้ใจจดใจจ่อและเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าความเคยชินบอกว่าให้นึกถึงเรื่องเล่นนึกถึงขาเมาส์นึกถึงการโพสรูปแจมๆอวดชาวโลกก็รีบบอกตัวเองว่านั่นไม่ใช่อะไรที่ดีนั่นไม่ใช่อะไรที่ทำให้เกิดสมาธิตรงข้าม ยิงจดจ่อมากขึ้นเท่าไรยิงกระวนกระวายปุ้งกระเจิงหนักขึ้นเท่านั้นงานคือเครื่องตรึงจิตให้เป็นสมาธิบอกตัวเองว่าที่จิตมั่วจิตที่รู้สึกแย่เพราะจิตเขา้าหิวเป้าหมายหิวความคิดที่เป็นระบบระเบียบหิวสภาพชีวิตที่เป็นชิ้นเป็นอันคุณจะค่อยมีแก่ใจป้อนอาหารให้จิตอิ่มจิตเต็ม โดยเริ่มจากการไม่มองงานตรงหน้าเป็นภาระไม่มองเห็นเครื่องวัดว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่เห็นมันเป็นเครื่องช่วยปรุงแต่งจิตให้มีทิศไม่หลงทางไม่หลักลอยในที่สุดทุกคนจะต้องพบว่างานคือเครื่องตรึงจิตให้เป็นสมาธิครอยากหนีงานไรอยากเกี่ยงภาระก็ต้องเกิดอาการจิตหิวจิตมัวซั ว, วมเมลิก